ไม่รีบร้อ น, น, น, นอเป็นอะเนาเนาะเวลากาสพวกหวันตอนเช้าตอนเย็นให้เวลาตัวเองเยอะๆในการศึกษาปฏิบัติให้มีส่วนประกอบหลายๆอย่างเราตัวเองบ้าง ผู้อื่นบ้างสิ่งอื่นบ้างวัตถุอื่นบ้างาเราพยายามทำสิ่งแวดลอบให้กับตัวเองดีๆทำกายทำใจการทำกายนี้ก็ให้อย่าขึงเครียดจนเกินไป อย้าย่อหย่อนจนเกินไปให้เรียบง่ายไม่ใช่เจ้าที่เจ้าการกับตัวเองมากาเกินไปจิตใจก็ทำใจีวลายอย่างเรื่องใจมีความลักเหมือนพระพุทธเจ้าลัก พระพุทธเจ้าเป็นยอดนักรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมองอะไรอะไรนะไม่มีอะไรเป็นการข้องติดทะลุทะลวงไปรักทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีขอบเขตถ้าอยากถ้าอยากอ่รู้เรงพระพุทธเจ้าก็ทำอย่างตามพระพุทธเจ้าลองดู อยากรู้เรื่องคนไหนผู้ใดก็ต้องทาตามท่านผู้นั้นอยากรู้ความเป็นพ่อเป็นแม่ทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ลองดูอยากรู้ความเป็นครูบาอาจารย์ทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์ลองดูเป็นลูกจิตเป็นลูกลูกเป็นเพื่อนทำหน้าที่ให้มันดี ไม่ใช่อยู่กับคนอื่นถ้าเป็นเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนกับตัวเราให้เป็นอย่าสวนทางเอาเสียงที่ถูกต้องมาฝึกหัดตนเดงอยู่เสมอก็เป็นความรักกับลักเม็ดหินเม็ดทรายลักทุกอย่างของที่เราใช่คีบอล เป็นทาบาดเราบริหารเราแล้วก็เก็บรักษาแปลงสีผันอะไรทุกอย่างของเราให้มีความลักเต้าใดที่เราได้อบบาดวางไว้ข้างๆเวลาเรานอนอยู่ในป่ามันอุ่นใจกลางงุง่งที่ได้กดก็อุ่นใจ มีลมไม้มุ่งสีขาวด้วยเพราะมุ่งสีขาวเนี่ยสัตสัตไม่กล้าเข้ามาพวกงูพวกจ้างพวกเสือไม่กล้าเข้ามากตมุ่งสีขาวมันเป็นตะบะอันหนึ่งแต่มุ่งทุกวันนี้เขาาสีกักสี อะไรไปเลยไม่ค่อยมีตะบะเท่าไหร่เราจะมองอะไรเป็นศัตรูกับเราแม้แต่เจอเสือก็มองเสือเป็นเพื่อนเราเจอช้างก็มองช้างเป็นเพื่อนเราเจองูก็มองงูเป็นเพื่อนเราเคยเจอเสือเคยเจอช้างที่อยู่ที่นี่ เคเจองูเ็เจออะไรก็ตามถือว่าเพื่อนกันไปผู้หลงป่ามหาวันนยลีงเป็นร้อยร้อยพันพันเราก็อยู่เพีพยงวิเดียวพนกับผงลีงแเราก็ทำตัวเป็นเพื่อนกับลีงททำใจสบายไม่มีอะไรที่ป้องกัน กลัวกล้ารังเกียจจงชังไม่มีเป็เพื่อนกันเห็นอะไรก็เป็นของที่เป็นเพื่อนกันหน้าหน้าสงสารมากันยิ่งเห็นวัวเห็นควายยิ่งหน้าสงสารเราก็เคยลักวัวลักควายมากพ่อขายควายไปล่องให้กับควายพ่อต้องตามเอาควายขึ้นมา เพราเราลักเราอยู่กับมันเราเลี้ยงดูมันขี่หลังมันทุกวันขี่คอขี่หัวมันแล้วก็เพื่อนกับเราวัวก็เป็นเพื่อนกับเราเห็นปากวัวเห็นหูเห็นจมูกเห็นเขาหน้าตามันน่ารักที่สุดก่อนจะทำไมเขาไปข้ามันหลงคอได้วัวก็เหมือนกัน อะไรอะไรก็เหมือนกันนะ่ะน่าสงสารแม้แต่คนเราคนหน้าสงสารที่สุดอาภับกว่าสัตว์ทุกประเภทคนเราเนะ่ยผลก็ไม่มีอาศัยต้องอาศั ย, อ, ยอื่นไปทําลายอื่นมาอาศัยสร้างบ้านสร้างเรือนซื้อเพื่อซื้อผ้า อาภัพโยงตัวเลขกัดก็เจ็บปวดหรือตายก็ได้เ <c> พ <oughs> ราะนา่าสงสาร ส, รรสรรงสารกวราเราไปจงเกียดจงชังกันทำไมไปเกียดกันทำไมลองทำใจแบบพระพุทธเจ้าดูสิมันลาบลื้นชีวิตเราเนะไม่มีขอบเขตยดความรักไหนรักไม่เห็นเมษาเช่นเรากวด ตาดเวลาเราขวดไปเห็นดอกแก่ถนนไปเม็ดหนึ่งก็ยังเสียดายตาดก็อยากให้มันแข็งให้อ่อนๆนี่บางทีเราซื้อตาดก็ทำดีๆมาเรามาตัดปลายแล้วก็ขูดถนอนออกขูดๆูดดขดทุกวันทุกวันออกไปมาก็เป็นล่องเป็นห้วยไปเลย ตัดนีมันนัดอ่อนวิธีจับตาดเลยว่าต้องจับสันๆจับปวดไปเนึองเลยแล้วเขาเจ็บห้ตาดตัวเองเจ็บไปดีๆเป็นสมบัติของเราแต่ก่านนี้แข่งขันกันทําตาดแข่งขัดกันของใครจะกวดดีกว่ากันด้ามก็ของใครจะดีกว่ากัน คองแค้วเบาแล้วก็กวดดีกว่ากันไม่หนักกวดแล้วก็เจ็บสอดไว้หรือที่ไหนไหนของตนของตนไม่ต้องไปหาไม่ทิ้งตากฝนตากแดดเจ็บไว้ในร่มก้านตาดก็เลาอา เราไม่ไผ่เราสวยงามไม่ใช่สร้างมาภาวนทุกวั น, นแล้วมาทำแข่งขันกันเชิงบาทก็ทำเองตลกบาทก็ทำเองกดก็ทำเองกีวนก็เย็บเองเครื่องใช้ไม้สอยทำเองทั้งนั้น เราก็รักมากแม่แตอ่อะไรก็ตามสมุดรปากาดินสอแล้วก็รักเจ็บไา <c oughs> ไม่กระยุยกระจ่ายรักด้าจอบรักด้ามเสียมจอบเสียมกันรักขวนญฉิวไม่อดที่อยากมีจอบมีเสียมมีสิวมีขวนไมีเลื่อยมีมีดนะ นะนี่มันราบลื่นดีไม่โทษทิ้งอะไรก็ตามประชาชนคนเราเนี่ยเห็นกันน่าสงสารหายใจเข้าหายใจออกเป็นทุกข์บางทีก็หิวก็เป็นทุกข์ร้อนก็เป็นทุกข์หนาวก็เป็นทุกข์แล้วยังไปเสีเกียดตชังกันทำไม ทั้งทั้งที่มันเป็นก่อนทุกว์กนหนึ่งน่าสงสารถ้าทําใจสม่ำเสมอกับทุกถึงทุกอย่างในโลกเนี่ยหลงเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ก็สะดวกบรรลุธทำได้ง่ายถ้าจงเกียรจงชั่งจงชังอมีอะไรที่ไม่ไปด้วยกันไม่คงจองไปด้วยกันมันก็ แยกกันสวนทางกันคนหนึ่งเราชอบคนหนึ่งเราไม่ชอบมันก็ไปคนละทางกันแล้ถ้าเราทําใจนะ่ะอะไรก็ง่ายๆเราก็ง่ายๆจะลุกจะนั่งจะน อ, อนก็ง่ายง่าร่อนก็ง่ายหิวก็ง่ายง่ายไม่ใช่เรื่องจะยากหาความสะดวก เอากับตัวเองความลำบากไม่ต้องการให้คนอื่นเอาไปให้แบนเรียบง่ายชีวิตเราไม่เป็นไรแต่พึ่เถื่อไปให้พูดกับตัวเองไม่เป็นไรไม่ใช่ไปพูกของอื่นพูดกับตนเองได้แล้วว่าไม่เป็นไรแล้วไปพูดออกปากออกเสียงกับคนอื่นก็ไม่สบาย ปากยางไงใจยังไงใจยปากยันั้ น, เ, น, นเวลาเรามาปฏิบัติธรรมก็ง่ายๆก็ไม่มีอะไรที่จะสมปัตนาได้เหมือนกับเรามาสร้างสติการสร้างสติก็ง่ายง่ายกว่าง่ายกว่าการกินข้าวการ หลับการ น, นอนต้องหาที่นอนต้องปูเสือ่อต้องการ ง, ง, งูต้องหาบ้ามาหอมต้องหาหมอนมาหนนแต่ว่าเจริญสติไม่ต้องมีส่วนอุะกอบอื่นอยู่กับตัวเราเลยเอาทุกกรณีการมีสติเนี่ยเราจึงถือว่าการเจริญสติเนี่ยแล้วก็ ประกอบกับจังเกินไปด้วยมันเหมาะดีดีมันได้สิ่งแวดล้อมหลายอย่างถ้าเหมือนเดี๋ยวเนี้วัดป่าสุกโตน่ะมีแมลงยิ่ง ด, ดีหน้าหนาวถ้ารือฝนมันมีสิ่งแวดล้อมกันล่องออกมาเลย แล้วที่นี่ไม่มียาสารพิษสารเคมีไม่มีน้ำเราก็ปลอดภัยสะดวกอะไรที่มันไม่ทําลายกันและกันก็เป็นจริงเวลง็ลร่อมตัวเราก็อย่าไปทําลายตัวเราอย่าไปทําลายคนอื่นเช่งอื่นอย่าไปบวกจะไปลบ ถ้าเรายินดีถ้าเรายินไล่มันสั้นสั้นถ้าเป็นความดังก็ไม่ดังความมองวางปล่อยๆมันดังกว่าความพอใจความไม่พอใจเหมือนตบมือข้างเดียวดังกว่าสองข้างมือสองข้างดังไม่ไกลเท่าไหร่แต่ข้างเดียวนี่ ตาเห็นโกูกไม่เป็นไรสบายไปดังดังในหัวใจเราดังไปสิปียีสิปีแล้วนะอ่นวานข้อไม่เป็นไรตัวไหนกะ็ไม่ถือส า, าเรื่องมันดังอยู่ในหัวใจเราเหมือนยาตพุทธทานว่าตบมือข้างเดียวเสียงดังค้องมือท่านตบสองข้างเจียงดังได้มือเสียงมือเสียงของมือท่านดังไกลไม่กี่ว่า เสียงเงอค่าดังไกลทั่วโลกาหมายถึงใจที่มันไม่มีอะไรขอบเขตความรักความเมตตากรุณาความอะไรก็ตามจะ ม, ม, ม, ม่นจเสมออย่างนี้นะมันสบายมันปลอดภัยชีวิตเรานะสร้างเอาสร้างเอา ไม่ต้องอ้อนวอนอะไรจนมันเป็นเรื่องยุ่งยากไปทำเอารู้สึกตัวไปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตตกแต่งไปเรื่อยๆแล้วอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งก็มีสิ่งที่เราจะต้องเอามาเป็นส่วนประกอบเพื่อประดับชีวิตเราให้มันได้จากน้อย ก, ก็เมตตากุณาเป็นทุน เราก็มีสติเสริมเข้าไปมีความเพียรมีศีลกับาไปเรียบร้อยเข้าไปมีความมั่นใจแน่วแน่ใส่ใจมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเปลี่ยนความผิดเป็นความรู้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ ความรู้เนี่ยมันสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับชีวิตเราความรักความจังพอใจไม่พอใจไม่ได้สิ่งแวดล้อมหลือสียพดล้อมไม่ดีเมื่อสิ่งแวดล้อมไม่ดีไม่ดีชีวิตเราก็จะดี อ, ะอย่างไรยังไงเหมือนกับต้นไม้มีสิ่งแวดล้อมไม่ดีมันก็ไปงอกไปงามถ้าสิ่งแวดล้อมดีมก็งอกก็งามโย่ ว่าถ้าทำายางนี้มันถือว่าเป็นยอดพัฒนาของโลกเลยล่ละอยู่ที่ไหนก็ไม่ทำอะไรไม่ทำร้ายอะไรเลยเราดูพระพุทธเจ้าศาสตราของเราขนาดองค์คริมานจับดาบไล่ฟันพระ อ, องค์พระองค์ก็ยังคิดจะช่วยองค์คริมานอยู่แล้วก็ช่วยได้จริงๆ จนองค์ธรรมานหมดพยศหมดพิษด้วยคำพูดที่หยุดไม่ทำบาปทำเนินทำกรรมใครอีกแล้วเราหยุดแล้วองค์ธรรมานเรียกหยุดหยุดพระพุทธเจ้าเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดเธอยังจะปรับไล่ฟันเราอยู่เราหยุดก า, ารทำบาปทำเนินทำกรรมแล้ว องค์พิมานได้ยินน่นานเหลือเกินเนอกว่าที่ได้ยินคำพูดจยางนี้ไม่ใช่สาไกรบุตรเป็นลของเจ้าตัวพะหรือที่ออกบวชได้เป็นพระเทเจ้าไม่ใช่องค์นี้เล้วหรือได้ยินแต่เชื่อก็อเลยเปลี่ยนใจ ที่ดาบก้มร้องให้เสียใจกว่าจะได้ยินคำพูดจากนี้ออกมาพระเจ้าก็โปดได้เนี่ยเราเนี่ยในโลกเนี่ยมีใครที่จับดาบไล่ฟันเราไม่มีเราก็ไม่ใช่เป็นคนชั่วเร็วสามอะไรมากมาย มีแต่ดีๆคนดีๆมีศีลมีธรรมมาแต่กำเนิดเกิดมาถ้าเล่าประวัติตัวเองนี่นก็น่าภูมิใจบางคนก็โอกาสเล่าเรียนสูงสูงมีโอกาสที่จะสะดกสบายแต่คุณพ่อแม่ก็ดีอบอุน่นบางคนก็อาภัพปับจนก็ดี ดีจะได้สร้างฐานะสร้างชีวิตจิตใจของตนเอามาเป็นทุนเพื่อทําความดีเอาความดีมาเป็นทุนเพื่อทํำดีเอาความร้ายมาเป็นทุนเพื่อทำความดีเอาความผิดมาเป็นทุนเพื่อทําความดีเอาความทุกมาเป็นทุนเพื่อทำความดีตรงเนี้ยตรงที่ ชีวิตของคนเราของมนุษย์ที่พัฒนาได้ถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้กะไม่สมกับชื่อว่าเป็นมนุษย์ด อ, อก เ, อเราไม่มากก็เท่านี้แหละแต่ว่าให้มีหลักอย่างนี้แน่วแน่เอาไว้ให้มั่นคงเอาไว้หลักเนี่ยหลักชีวิตของเราที่ดำเดนินชีวิตไป ทุกวันทุกนาทีทุกวินาทีแม่เรานั่งอยู่สุกโตแต่ว่าสิ่งที่มันไปมันไปอยู่ถ้าเราทำตัวเนี่ยไปจากข้าศึกไปจากภัยต่างๆใช่หัหยโยม <laughs> อย่าไปมีผมด้อยอย่าไปมี ปมเครื่องเราดีกว่าเขาเขาเร็วกว่าเราเราเร็วกว่าเขาเขาดีกว่าเราผมด้อยพวงเครื่องแบบนั้นมันทำลายตัวเราตัวเขาไม่มีอะไรหรอกเราก็น่าสงสารกันไว้ก่อนเอามันพุทธคุณของพระพุทธเจ้ามาไว้ในเรา เมตตาที่คุณคุณของผู้เจ้าเนี่ยถ้าจะว่ามากก็มากแต่ถ้าเอามาใช้ได้ทุกวันเนี่ยก็คือหนึ่งเมตตาที่คุณเราทุกคนก็สามารถที่มีเมตตาที่คุณได้สองกัลยาณ์ที่คุณเราก็มีได้กัลยาณ์คิดจะช่วยแล้วก็ช่วยบ้างเมื่อเราช่วยกันอยู่แล้ว เพราะเน้นก็ช่วยกันอยู่แล้วให้ชีเขาช่วยกันอยู่แล้วบอโฉกบาจิกาช่วยกันอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> กะ็ะลุนาที่คุณช่วยเหลือหมอที่สุดที่คุณด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีใครบังคับขับใส่เราทําความดีเรารับความชั่วหมอที่สุดใจ อบไก่ขีตําน้าพริกทำอาหารก็าเลยคมบริสุทธิ์ใจอาหารก็แซ่บแล้วก็มีปัญญาที่คุณปัญญาที่คุณเนี่ยคือเป็นตัววงลิปปิดชีวิตเราให้ลงที่ปัญญาทั้งนั้นอย่าไปเอาอารมณ์มาเป็นสิ่งผิดเปิดชีวิตเรา เป็นปัญญาหมวดธรรมทั้งหลายมีแต่ปัญญาลงท้ายผิดไปศินจสมาที่ปัญญาอะไรก็ตามลงที่ปัญญาลงที่ปัญญาเป็นคุณอย่าไปลงที่ความพอใจความไม่พอใจอย่าไปลงความรักความชังอย่าไปลงความสุขความทุกข์มันผิดที่มันอุวัติเหตุชีวิตแบบนั้น ต้องลงด้วยปัญญาเมตตาที่คุณอรุณาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณคุณเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆก็ได้ทำได้ไม่ใช่ไปหาเะเงงื่อไหลคร ย, อย้อยทำอย่างนี้แล้วสิ่งที่ทำได้เนี่ยพุทธเจ้าสอนพวกเร า, าเราก็สอนเรา สนุกดีดีสนุกดีดีการทำอย่างนี้สนุกสนุกแล้วเมื่อมันมีอะไรที่เกิดขึ้นพื้นฐานเราคงก็ดีไม่สะดุ้งผหวาเพราะเราไม่ไม่มีอะไรแล้วจะเป็นไงก็ไม่กลัวเลยนะไม่ไม่มีอะไรที่สะดุง้งสะทุกสะเทือนชีวิตจิตใจของเรา ถ้าเราทำใจอย่างนี้วันนี้แต่พร้อมทุกอย่างเพราะมันจะมีความรักความเมตตากุดานะตลอดเวลาไม่มีเป็นอื่นไปได้อ่าเพราเราจึงฝึกหัดทุกกรดีละในชีวิตของเรานะ่ยมัน จ, จะยากขุ้ม กับเราเกิดมาคุ้มค่าน้ำนมของพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาถ้าไม่เจ้นนั่นจะไม่คุ้มให้ได้ให้ได้พูดกับตัวเองในใจพูดกับคุณพ่อคุณแม่ในใจแม่พ่อแม่เราตายไปแล้วเราพูดได้โอ้พ่อเอ้ยแม่เอ้ยที่พ่อที่แม่ให้ลูกเกิดมาคุ้มค่าแล้ว ไม่เสียค่านั้มนมพุ่งค่าแล้วให้ในพูดกับตัวเองพูดกับกคุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นหน้าเห็นตาพูดแต่แหน่งมันชื่นใจชื่นใจอม่ใช่เสียใจดีใจพ่อแม่ตายไปพ่อแม่ยังอยู่ไม่ใช่อยู่ก็อยู่เราก็คิดแบบนี้ใจของเราความรู้สึกของเรา ให้มันมีอะไรที่ยกเบอร์ไหวตัวเองได้อย่าให้มีแต่คิแนแหงแขงใจตัวเองไม่ใช่สำนะว่างตนว่าเป็นสำนะไม่ใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ว่างตนว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเตียกแขะเหมือนบ่อที่เตะเขียบุญฝอย งูเปื่อนโคดงูเปื่อนโคดสันดานคาหมาขี่เลื่อน <c oughs> อันนี้พระเจ้าด่านในพระตํารวบอกนะไปานดูอ่าหลวงพ่ออ่านนะอาจารย์พิธาตเอามาเขียนนะ่ะคมทรัจบจ<อ>ากโปรดอ้งูเพื่อนโคดหมาขี่เลื่อนงูเพื่อนโคดโอ้ อยู่ไหนไม่สบายเลยเห็นหมาเห็นว่าหมาสี่เลียนชื่อเอ๋อชื่อแจ้วนอนตองไหนมันก็มักว่าที่นอนไม่สบายลูกไปไปนอนดินเอา้าเกียดที่นอนลูกดิไปนอนดิอ่าเป็นงนะูพ่อนกู้ดก็ไปอยตกหลุมพูดเขามันก็ไม่ชาบ เลื่อยไปตรงไหนก็มีแต่ลอยพูดติดตัวไปเอาวะตอนเนี่ยเนาะเอาว ะ, ะเบือ่อปะหลงผัวแนเจไปแล้วอ่า